قال ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ف ن َ ت ب ى آياتك من قبل ف ن ت ب آياتك من قبل ق ับลี ن ันดิลและ ل ك ช م م ت ลุลุมุตรรบิสุ และจะต ا ل หนั ه ว ا ل ใครเป็น ا, أ ل ر ا ح ับผิดชอบ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 วับิกะอัมไซนะวับิกะนัพยาวับิกะนามุตุวะอิลัยกันนุชูอ้างุบิ ل ะลิมัติลลาฮิต ا ت ِ مِنْ شَرِّ مَا خلق بسم الله الذي الل ال لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم ร่ ي ิบ الله ร ب บบ وبالإسلام د ي ن ั้น ب ิมูฮั ل มัดรัสูละ ل ัลลอ ل ุ ب ะอีนีอาง ب บุบิค์มินัลคัซ ل ์วสูอิลคิบารีรับบ์อางุบุบิค السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที่น้องที่ร่วมนมาต์ยาะ เวลาสุบฮ์ที่รักทั้งหลายครับบารฮมดุลิลลาเราทุกคนจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์โชคต่อัลลอ์ที่อัลลอ์ให้เราตื่นมาหลังจากที่เราได้นอนหลับไปเมื่อคืนนี้ต้องขอบคุณอ ill ah ัลลอ์นะด้วยที่ทุกคนจะต้องกล่าวก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลัติอะฮยานะบัดมา อามาตนาวิไลหินูชูนี่เป็นดวอาที่ขอบคุณนลอที่ให้เรานอนไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมา <c oughs> ตายกับนอนเนี่ยเหมือนกันเออคนตายอยู่ยังไงในกูโบะคนตายเป็นยังไงคนนอนหลับเหมือนกันฉะนั้นต้องขอบคุณนลอทนะเขาเรียกว่าเนียนนอนเขาเรียกว่าตายเล็ก นอนอยู่ในกูโบเขาเรียกว่าตายไรนะตายใหญ่ <c oughs> ขอบคุณอัลลอ์สุบฮานาหูวตาละนะครับที่อัลลอฮ์ได้ให้โอกาสเราเนี่ยได้อ่านูุรานได้ทบทวนูุรานแล้วก็ ท, ที่ที่ดีกว่าก็คือเราได้รู้ความหมายของอัลกุรานอัลฮัมดุลิลละต้องขอบคุณอัลลอฮ์ครับในขณะที่คนที่น้องเราบางกลุ่มนี่กำลังนอนอยู่ ยังไม่ได้ตื่นนะมาซูโบ่เนะี่ยไม่มีนะะพวกเราไม่มีมีแต่คนที่อื่นเท่านั้นแหละ <c oughs> อยายะสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากพี่นอ้องอายะที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดวันนี้หนึ่งร้ยสามสิบสามนะนะ <c oughs> นี่จบสุร้อะพอดีนะสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้านี่จบสุรอะสุรอต่อหา ทวนอายทีสามสอดนิดหนึ่งนะครับวะเลจมุดันในในก็อีละมะมัดตานาบีอัลวาจาหมินฮุมจาโรตัล hayatid dunya linaftina humfi วารีสุรรับบิคข่ายรุง่งแَะบุควาเนี่อายะสุดท้ายของอาทิตย์ก่อนนั้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหยุดไปพบพี่น้องที่จังหวัดภูเก็ตกลับไม่ทัน <c oughs> อายะที่131ร้ยสามสิบมีความหมายบอกว่าคือสั่งมุสลิมแล้วก็สั่งคนที่อ่านกุรานแล้วก็สั่งนบีมุฮัมมัดด้วยว่า อย่าทอดสายตาอย่าจ้องสายตาทั้งสองสายตานี่ อ, นอสรษังนะดูแลสายตาให้ดีขนาดจะจ้องสายตาไปยังชนชั้นผู้ปฏิเสธซึ่งเขามีอะไรอยู่สบายกินสบายแต่งตัวหลอมีรถขับอยู่บ้านตึกใหญ่ๆสูงๆ เราเห็นแล้วเนี่ยบางทีมันใจมันอยากมาเลยอยากว่าเห็นแล้วอยากเนีนะอัลลอฮอะุอฟสฉะนั้นที่สีข้อนเนี่ยเรามีสิทธิ์แค่เดินเท่า น, นั้นแหละอย่าคิดเป็นเจ้าของหมดสิทธิ์สิทธิ์แค่ไรนะเดินแล้วก็มองเอาห้ลลามดิวรีดาเนี่ยมัดของอลัลลอฮอย่าคิดเป็นเจ้าของเออัลลอฮไม่ให้รอนะ นี่อัลลอฮ์สั่งนะโมห์มัดเอ๋ยด้วคนที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยอย่าทอดสายตาหรืออย่าจ้องสายตาทั้งสองของท่านไปยังมูชนที่ปฏิเสธที่อัลลอฮ์ได้ให้ความเพลิดเพลินกับชีวิตของพวกเขาเขาอยู่ยังไงแหละคนเหล่านั้นน่ะจะทานอาหารมื้อนหนึ่งต้องใช้เงินเป็นหมื่นขณะที่เรานั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ชาชายเนี่ยก็แค่ห้สิบาทร้อยบาทก็อิ่มแล้ว แต่บางกลุ่มของคนที่ไม่เอาอิสลามเนี่ยแล้วกินอาหารต้องกินต้องใช้จ่ายเยอะมันกินไม่จะกินทางปากอย่างเดียวมันกินหลายทางวันเวลาเป็นนั่งทานอาหารปั๊บนี่ที่ร้านเนี่ยตาก็กินอา้าวตากินทํางไงตามองอะไรมองนักร้องเต้นอยู่บนเวทีกินทางปากไม่พอกินทางตาอีก แล้วก็หูอิละกินว่าหูก็กินกินอะไรกินเพลงฟังเพลงนั่งขยับจยุยุดยุบยุดแล้วก็มือก็กินอีกขนาดใส่ปากไปพรคลำอีกอ่ะเวลานักร้องเดินผ่านมาเนี่ยเอามือคลำกินกี่ทางเนี่ยปากก็กินตาก็กินหูก็กินมือก็กินกินกี่ทางสี่ทางเสียมือนึ่งถูกแล้ว ถูกแล้วเสียหมื่นบาทพ้อมันกินหลายทางอย่างานะั้นแหละทีนี้อัลลอฮ์สั่งมุฮัมมัดเออจะสั่งคณที่อ่านคุรอ่านอย่างพวกเราวันนี้ที่อ่านคุรุอานเนี่ยนะอย่าจ้องสายตาอย่าทอดสายตาไปหากลุ่มชนที่ที่อัลลอฮ์ได้ให้เขามีความสนุกมีความร่าเริมีความเพลิดเพลินในชีวิตของเขาบนดุนยาไปนี้นะครับ Zahrotal Hayatid Dunya เป็นว่าความสุขความสำราญที่เขาได้รับบนโลกดุนยาใบนี้สาเหตุที่อัลลอประทานอันกรุณาญาณ น, นี้มาเนี่มันมีอยู่วันหนึ่งท่านัยดินาอุมัตปฏิยลลอฮวันหูเนี่เข้าไปเยี่ยม น, บ, นบีนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่สูงที่สุดแล้วนะใหญ่ที่สุดแล้วนะอัชรฟุลมลัคลูเป็นสิ่งถูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ประเสริฐที่สุดไม่มีใครประเสริฐกว่นานบีมุฮัมมัดแล้วไซนามัดชอบไปในบ้านของท่านนาบีกํลาลังนอนนยกลางวันนอนบนเสือพอไซนามัดเข้ามาในบ้านนาบีก็ดีใจว่าโอ้มีสาว บ, บ้ามาเยี่ยมที่บ้านก็ลุกขึ้นนั่งต้อนรับไซน า, นามัดเห็นที่กลางหลังท่านนาบีมีพื้นแดงเลยรอยอะไรนะรอยเสือไม่ใช่เสือกกธรรมดาเสืออะไร เสือกการอินทรพารามอ๋โอสายนาอุมตดไปรเห็นนบีนี่หลังดิแดงหมดเลยร้องไห้แล้วก็ถามว่าร้องไห้ไซนานาบีเห็นไนอุมัรรเราถามอับปบากั่าให้อยู่ใครกนพูดอย่างงี้นะเป็นภาษาลากว่ามาจาลมาจายบ ย, บ, ยบกี้กคุณร้องไห้ทาไมอะ ไซนาวมักพูดแปลว่าอลาัลลอฮฺอัลกุบะดีนีกษัตริย์ที่อยู่ในยุคเดียวกับนบีมีประเทศกิสรอบัางาไคจะไคบ้างมีหลายประเทศในช่วงนั้นน่ะกษัตริย์เขาอยู่สบายนอนบนฟูกมนบนที่นอนอย่างดีกินอาหารอย่างดีแล้วก็มีคนบริการต้อนรับอย่างดีแล้วท่านนี่เป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดทำไมอยู่อย่างนี้นอนบนเสื่อ แล้วพวกขึ้นมานี่หลังนี่แดงเลยอลัลลอฮฺไซนาอุมารร้องให้น บ, บี บ, บอกโอ้บูประกาศไอไซนาอุมารเอ๋ยคุณยังไม่รู้อีกหรื อ, อไม่รู้อีกหรือชีวิตเป็นอย่างนี้พวกเขาเหล่านั้นนี่นะต้องการชีวิตความสุขบนดุนยาใบนี้เขาอยากได้กันทุกคนนะแต่ฉันเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นมุสลิมที่อิมาลต่ออลัลลอฮฺที่เชื่อ อ, อลัลลอฮฺเนี่ย ฉันเป็นไงทำไมฮะธิี้อธิบายดีนะเขาบอกว่านาบีบอกว่ากุนฟิดุนยากะอันนากอรีบุเอาอาเบริซาบีอับูบากาศเอ๋ยนะทศายนาอุ ม, มัดเอย๋ยจงอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เสมือนกับเป็นผู้เดินทางคนที่เดินทางกับคนแปลกหน้าเนี่ย เราอยู่บนโลกใบนี้นะต้องนึกเราเนี่ยเป็นแค่คนเดินทางแล้วก็เราเป็นคนแปลกหน้าอา้าคนเดินทางเนี่ยพี่น้องเดินทางกันทุกคนได้ละถามว่าเดินทางวันนี้นะขึ้นเครื่องบินเนะขาให้กี่กิโลกี่กิโลหมอกี่กิโลยี่สิบยี่ห้าสามสิบเท่านั้นเองเอาจะไปทำฮัดทีน่นครมักกะให้กระเป๋ากี่ลูกลูกเดียว กี่กิโลส0สิบโลเท่านั้นเองถ้าเรานึกภาพคนเดินทางเนี่ยรอจนเลือดัวเนี่ยนั่งยาไปสะสมของบนดุนยาเนี่ยเยอะถ้าจะสะสมสะสมของที่จะอยู่ในโลกอาคือเราเยอะเยอะไม่ต้องพาไปไหนเลยไ ม, ไม่ต้องเก็บใส่เป็นกูดุงกูดังเป็นบ้านเป็นหลงังๆเอา้าอย่างสะสมนำมาเนี่ยจะใช่ใช่อะไร ใช้บ้านเก็บเรือจะเป็นไหมอ่ะสะสมนะมาสะสมอ่านกุรอานสะสมทําความดีสะสมเรื่องอื่นๆที่เป็นความดีที่อลัลลอฮ์ให้ทําเนี่ยต้องใช้ตู้ไหมคอนเทนเนอร์ไหมต้องใช้กระเป๋าไหมไม่ได้ใช้เลยถ้าเก็บสตังเนี่ยนะไม่ฝากแบงก์หนี่ยต้องใช้กระเป๋านะ่ะใช้คอนเทนเนอร์นะ่ะอลัลลอฮ์อักบุบะตี่สิ่งที่นบีมาสอนนี่ยนะ ให้สะสมความดีเยอะๆ Allah. Allah. อัลลอฮฺอัลลอฮฺัลฮัมดุลิลละต้องใช้กระเปาา๋าใส่ไหมไม่ใช่ต้องใส่อาคารใส่ไหมไม่ได้ใช่เนี่ยลูกขึ้นมานมาต่ฮะยุตลูกขึ้นมานมาวโซโบเนี่ยมาทุก ว, ว, วันทุกวันทุกทางตายเนี่ยถ้าใช้กระเป๋าใส่เท่าไหร่เนี่ยต่อัลลอฮฺความไม่ต้องใส่ ทำไปชันไปชันจะบันทึกความดีอยู่ในบัญชีของท่านอยู่ที่อัลลอ์สุบฮานาฮูวะตาลาถ้าสะสมวัตถุโอ้โหจะไว้สะสมะอ่ะมีบ้านยี่ยี่สิบหลังดูไหวอะอัลลอ์แค่บ้านสองชั้นนี่ยังกวาดไม่ไหวเลยคนเดียวอะ่ะต้องมีคนอื่นช่วยใช่ไหม <c oughs> แค่กวาดบ้านเช็ดบ้านอัลลอ์แค่น้ำเสียน้ำไม่ไห ล, ลก็ปวดหัวแล้วอัลลอ์ไฟฟ้าไม่ติดก็ปวดหัวแล้วแล้วมีทาไมเยอะ แค่นั้นนบี ว, ว่ากุลฟิลดุนยากาอันกากรีบุญจงอยู่บนโลกดุนยาไปนี้เสมือนว่าท่านนั้นเป็นคนแปลกหน้าอาวาบิริสบีหรือคนเดินทางเนี่ยถ้าเราอยู่แบบนี้น ะ, ะทำเป็นลาซาบาใจไหมต้อนทะเลาะกันไหมต้องแกงแย่งกันไหมได้ได้ก็ได้ไปอย่างนี้เป็นตัว น, นี่กูอ่านสอนนะหะดิสก็สอนให้เรานึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงความดีนะครับ เอามาดูอายะที่นึงร้อยสามสิบสองนะครับวะมุรัลกับซาลาวะฟตับิรัลัยฮะลาเนสอุลก์ริซกานั้ حن نرزوقك والعاقبة لتقوا อัลลอฮฺอายานี้ดีมากๆเลยวะมุดอะล่กับิสซาล่าอัลลอฮฺสั่งนะครับสั่งละบีมุฮัมมัดแล้วก็สั่งพวกเราที่อ่านคุรานนี้นะสั่งว่าไงวะมุดแปลว่าจงกำชับหรือว่าจงย้ำให้ทำให้ได้ให้ทำอย่างแน่นอนจงทำให้ได้หมายถึงจงสั่งจงกำชับ กำชับใครก่อนน่ะอัลลากบิสรละกำชับลูกของท่านภรรยาของท่านคนในครอบครัวของท่านและกำชับตัวเองด้วยนะให้ทำมาไรบิสรลให้รักษานามานี่มาจะฟากฟ้าเลยน่ะถ้าจะเดินทางมานาใช้เวลาโดยคนนะห้าร้อยปี ขึ้นห้าร้อยลงห้าร้อยไปกลับเท่าไรพันปีเกิดกี่เที่ยวตายกี่เที่ยวอยู่จะถึงมาจาชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดเนี่ยลงมาเนี่ยยิบรีนนำเอามามาบอกกับนบีประมาิว่าววมุสอิมละกับมุฮัมหมัดเอย๋ยหรือคนที่อ่านกุรานวันนี้นะจงกำชับตัวเองเรากำชับใครอีกลูกของท่านภรรยาของท่าน คำว่าอาเรกเนี่ยมันมีอยู่หลายความหมายอุลมามะบางคนอธิบายว่ามนุษย์ทั้งหมดที่เป็นมุสลิมเนี่ยหรือว่าจะเอาเฉพาะในครอบครัวก็ถ้าท่านมีภรรยามีลูกก็สั่งลูกชายลูกเตือนลูกให้ทำอาไรบิษณุให้นามาตตุลรงว่านามาตเนี่ยเป็นอามั่นที่ซอและที่สุดเป็นอามั่นที่ดีที่สุดในบรรดาอิบัดาทั้งหมดนะ อย่างรุกนอิสลามห้าประการเนี่ยนะนมาตเนี่ยเป็นอิบาดาที่ดีที่สุดเราใช้เวลาไม่นานสองร้อกระอาจนี่คนนามาตเก่งๆเนี่ยไววๆนะแป๊บเดียวนะแต่ถ้าคนที่นมาดคูชูะเนี่ยก็ประมาณห้านาทีสิบนาทีถามว่านมาตไว้ก็บนามาตคูชูะอันไหนดีกว่ากันอ่ า, าเราเข้าใจศาสนาแล้วนะ นมาทไว้นะแป๊บเดียวแต่นมาทคุชวะเนี่ยนานไหมนานค่อยๆรู้กลัวค่อยๆสุญญูตนบีเป็นอย่างนี้เมื่ออายาัตอาย่านี้ประทานลงมาจากชันฟามาให้นบีรู้ไหมนบีเนี่ยนะทุกวันนี่นบีเมื่อมาทํานะทําเป็นแบบเลยนะทุกวันเวลานะมาสุบโบจะเดินไปปลุกลูกสาวของท่านนาบีชื่อท่านหญิงอะไร ฟาติมาราดิญญลอหวานฮแต่งงานกับท่านใส่ดีนะอาลีราดิยญลอหวานลูนบีเดินไปปลูกก่อนนมาสุบโบว์เดินไปปลกอาลาตุสอยเธอสองคนนี้นมาสุบโบว์แล้วยังนบีเดินไปปลูกไปปลกลูกที่นบีเดินไปปลูกต้องการจะสอนพวกเราวันนี้ว่าเรามีลูกน่าห่วงลูกเรื่องอะไร บางคนนะห่วงเรื่องลูกไม่มีกินลูกไม่มีเงินทองใช่แต่งานแล้วก็ห่วงลูกๆมีข้าวสาร <c oughs> ในอะไรนะในปีบหรือเปล่าแต่นบีไม่ได้ห่วงตัวนั้นนบีห่วงอีกอย่างเดืองเหืองอะไรห่วงว่าลูกนมาศหรือเปล่านี่ไงพี่น้องบ้านมุสลิมกับบ้านคนไม่ใช่มุสลิมมีอยู่กันต่างตาแต่ต่งกันอย่างนี้แหละนี่ความรู้สึกแบบนี้นะ่ะทาไงจะฝังลงไปในะหัวใจของบ้านมุสลิมทุกบ้านนะ่ะ ทำไงไอพ่อแม่รักลูกทุกคนรักไหมรักทุกันทุกคนลราอย่าให้ลูกมีเงินช้อย่าให้ลูกมีสื้อตังอยากให้ลูกมีอาหารอยากให้ลูกมีบ้านอยู่อยากให้ลูกมีพัดลมมีวัตถุในบ้านมีหมดเนี่ยถ้าเราห่วงลูกของเราเหมือนคนกาเฟทห่วงนะแตกต่างกันไหมล่ะมันก็มัวพอกันใช่ไหมที่นี่อิสลามต้องการไม่เอาอย่างนั้นห่วงลูกต้องห่วงเรื่องอะไรลูกมีศาสนาเปล่า ลูกอ่านปุ้อ่านออกหรือเปล่าลูกน้ำมาหรือเปล่าแพะแกวัวควายมันก็ห่วงลูกมันใช่ไหมล่ะจะว่ามันห่วงน้ำมาไหมล่ะมันไม่ได้ห่วงน้ำมาท่า น, นเราเนี่อัลลอฮฺสั่งนะว่ามูรอะแล้วก็บิสโซลาจงกำชับจงสั่งภรรยาของท่านลูกของท่านคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาท่านให้ทำมาได้ให้น้มาให้ครบวันละห้าเวลา เรื่องน้ำมาเรื่องยายมากเลยนะทีนี้พอสอนให้ลูกน้ำมาเนี่ยมันสอนอะไรอีกอ่ะสอนเรื่องการอาบน้ำน้ำมาใช่เลยไม่ใช่สอนเรื่องการแปรงฟันใช่ไหมสอนเรื่องการเข้าห้องน้ําใช่เลยไม่ใช่แล้วต้องอ่านดวอาใช่ไห ม, อ, อ, ไหมอยู่ในห้องน้าอาบน้ำยังไงสอนหมดเลยใครสอนนี่อลัลลอฮฺสัง่งให้พ่อแม่สอนลูกๆ อัลลอฮฺอักบารอัลฮฺทำโลฉะนั้นบ้านมุสลิมกับบ้านคนคาเฟ่ไม่เหมือนกันความคิดที่อยู่ในสมองในใจไม่เหมือนบ้านคนคาเฟ่นะเราต้องนึกถึงคำสั่งของอัลลอที่ผ่านสัพีิอันกุรอานแล้วต่อมาอีกวัสตบิรอัลลฮะวัสตบิรอลฮตรงนี้ดีมากเลยนะและจงอดทนอัลลอ มาจากซอบารอเดิมมนันนซอบารอแปลว่าอดทนแล้วก็เติมอะไรไปนะเติมตอไปอีกตัวหนึ่งอิสตบารอเดิมมันซอบารอแปลว่าอดทนนี่เติมตอไปอีกแปลว่าอิสตบาร์อพออิสตบารอภาษาหลับอธิบายงั้นนะต้องใช้ความพยายามอีกหลายหลายเท่าในการบอกในการอบรมลูกย่าเบื่อ เหมือนก็สอนว่าพ่อเอ้ยนบี ม, มุ hammad เอ้ยในการเตือนลูกนี่นะอย่าเบื่อนะเพราะคนส่วนใหญ่มันเบื่อง่ายใช่หรือไม่ใช่เรียกลูก ม, มันาลูกอ่ะอ่อ่ะอ่ะกูะะะไปแล้วไม่ยุ่งแล้วปล่อยมาเถ อ, อนะ อ, อย่าอย่าอย่อยยย่ตรงนะอดทนยิ่งเป็นพี่เลี้ยงนะเนี่ยอลล๋อต้องอดทนสูงระดีนักเรียนบางคนนะถ้าพี่เลี้ยงปลูกขึ้นแต่คนอื่นปลูกกูไม่ขึ้น ฟังเสียงก็รู้อ๋อนี่มาใช่พ่เรี่ยงกูนอนต่อใช่ไหมลูกก็เหมือนกันธรรมะไม่ปลูกหรือพ่อไม่ปลูกคนอื่นปลูกฉันไม่ขึ้นแต่พ่อแม่ปลูก อ, อ, อาจจะขึ้นหน่อยแต่ต้องใช้ความอดทนมันนี่ยเอาลอสสั่งนะวัสดตบบรอิอะไรจงใช้ความอดทนในการอบรมลูกเตือนลูกมีผลบุญปากอบรมเนี่ยออร์ผลบุญเยอะมากเลยนะอบรมลูกเตือนลูกจะนี่เตือนยังไง นี่พ่อแม่จะต้องฟังกุรณานนะต้องใช้ภาษ า, าดีๆลูกจ้าลูกลูกขึ้นสมาธินะลูกนะไอ้มัด <c oughs> มึงจะเอาอย่างไรก็กูอรอเดิภาษานี่มาแล้วก็ใช้ตอนดีใจเออเ อ, อ, เ อ, อมึงปลุกแบบนี้เนะ่ะกูชอบใครชอบนะใช้ตอนชอบฉะนั้นต้องใชด้ดีๆนี่และคุณแม่จะปลูกเนี่ยจะปลูกลูกผมใช้ภาษ า, านี่นะ อัลฮัมดุลิลลอฮิลลาดีอ хи ยานะบัดมะอามัตานะไลินูชลูกรู้เลยโอ้นี่ภาษาปลุกของมะอัลลอฮฺอักบได้하하ดูอาด้วยไหมดูก็ได้ด้วยอัลฮัมดุลิลล์นี่เป็นการปลุกลูกที่อัคลากที่ดีที่สุดไซนาอุมารเขาตื่นก่อนนะมาซูบ เป็นไซเป็นเป็นคอลีฟ้าเนี่นะเดินตามบ้านเลยนะปุกปุก ป, กปกุเรียกเรียกเรียกกอนอาาร่์อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอะ่ะไปสซลสาโซล่าโซล่ล่ลลลลเราเคยปลูกใครบ้างไหมละ่ะหรือว่าเป็นผู้ถูกปลูกตลอดเราก็ต้องปลูกคนผมอยู่ในอินเดียเนี่ยนะตอนปีสุดท้ายผมเช่าห้องอยู่ข้างนอกนี่มีคนปลูกอะ่ะ ตีสีกว่าๆนี่เอาไม้มาก็ทุ่งที่ฝาฝาบ้านตุมอุโทโธนามาสโปรโรอะไเง่ภาษาอุรดูนะทั้งวันทำยูลิล่อยคนปลูกนี่ได้บุรละบุญเยอะมากเลยนะและปรากฏว่าคนปลูกนี่นะวันอีดนี่ของเต็มบ้านเลย่ะทุ่งบ้านก็ให้หมดนะ่ะเอาไปฮัดียฮัดียฮัดียฮัดี ย, ด ย, ด ย, ยกินไม่ไหวอยู่ทั้งอ้วนไปนโรคเบาหวา น, น <c oughs> วะมุรอะห์ลาบิสซาลาจงกำชับครอบครัวของท่านหรือพวกพ้องของท่านให้ทำการนามาตวัสตบิราลาละจงใช้ความอดทนนะครับอย่างอย่างแน่วแน่ในการที่จะปลุกลูกเตือนลูกบอกลูกหรือบอกคนอื่นให้ทำการนามาตนะครับ ทีนี้บางคนถามว่าผมะเคยถูกดา่าตอนสมัยสักยี่สิบปีที่แล้วอ่านคุณบ้างเนี่ยพี่น้องนามาดนะคนลงมาชาวบ้านกดา็ด่ามุตฟามันมันว่างงานมันนมาเป็นคนเดียวสิกูงานเยอะไปหมดชั้นที่งานเต็มไปหมดเลยนะ่ะน่าก็ดูควายดูแพะดูแกะต้องมีเข้าทุงเข้าสวนเองมันว่างเองก็นามาดไปวิสกีใครหาให้ฉันละ อุดอุนันละนัสอาลูกะริสกอนโอ้ดูดูนะอัลลอฮ์เราไม่ได้ขอเครื่องอยังชีพจากมนุษย์อัลลอฮ์ไม่ได้ขอเครื่องอยังชีพจากมนุษย์นะและนัสอาลูกะริสกอนฉันไม่ได้ขอเราไม่ได้ขอริสกีจากมนุษย์แต่ตรงกันข้ามอัลลอฮ์อะไรนะนะฮูนารูกูกะ เราตัางหากเป็นผู้ให้เครื่องอย่างชีพแก่ท่านอลัลลอฮฺไม่ได้ขอจากมนุษย์อลัลลอฮฺเพียงมีแต่ให้ให้ให้ใ ห, ให้ตลอดเวลาเลยอลัลลอฮฺไม่เคยขอแต่อลัลลอฮฺให้ให้ให้อุลามะอธิบายอย่างนี้ใครที่นมาศไม่ขาดนมาศ ถ, ถ้าเวลาไม่ขาดนะยิ่งนมาศที่มัสยิดด้วยยิ่งดีใหญ่ส่วนภรรยา น, นมาศที่บ้านนะครับ พอได้ยินเสียงอาจารย์รอว่าบอลรอว่าบอลละครปิดเลยปิดละครเลยกั้นใจปิด <c oughs> ไม่อยากจะปิดด้วยมันอร่อยมันมันปิดละครเลยทั้งวไปแปลงฟันอาบ น, านาา้ําน้ำมาดรีบมาน้ำมาเลยพอจบเสียงอาจารย์ที่มัสยิดภรรยานามาที่บ้านเลยปิดให้หมดห้องละค ร, ละครเลยกูจูเกปิดให้หมดลูกเข้ามาไปผู้ชายร่าไปมัสยิดน้ำมาแม่ต้องเป็นไดาเรกเตอร์ใหญ่นะ ลูกไปมัสยิดลูกไปมัสยิดอผู้หญิงมาศมากระแม่นมาศกระแม่คนที่นมาศรักษานมาศวันละห้าเวลานมาศสุนัต ด, ด้วยวันกับคืนหนึ่งอีกสิบสองออละก็อัดอัลลอฮฺให้ผ ล, ลบุญคนที่นมาศสุนัตห้าเวลาเนี่นะสิบสองละกอ็อัดคิดยังไงก่อนนมาศซูบโบสองระกอ็อัดก่อนนมาศซูรี่เนี่ยมีสี่ละกอ็อัดหรือสองก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะทำสี่กัน แล้วก็หลังนามาตุโฮสเอินเป็นสี่เป็นเท่าไรนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วหลังนามาตมกรีบอีกสองเป็นสิบหลังนามาตอิชาอีกสองเป็นสิบสองพลบุญบานอัลลอฮูาลาฮูไบตันฟิลจันนะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึงให้เขาในสวนสวนายมะต้องอธิบายพ่อต้องอธิบายให้ลูกฟังทีนี้ละนัสอาลูกาลิซุก่อนเราไม่ได้ขอเครื่องยังชีพ รีสกีจากท่านคนที่รักษานามาตีนะอัลลอจะให้สแสวงหาริสกีได้มาแบบง่ายได้เข้าใจนะถ้านามาครบห้าเวลารักษานามาห้าเวลาแล้วก็หาริสกีด้วยได้ริสกีไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าไม่นามาโอโลัลลเหนื่อยไหมเหนื่อยก็เครียด นามาด้วยเราฟังศาสนาด้วยอัลลอฮฺอัลบาริสกีเนี่ยได้มาแบบง่ายใจครั้งว่าริสกีมาเชงเงินอย่างเดียวนะเนี่ยความรู้เนี่ย knowledge อัลโ um, อลมูมเนี่ยไอ้เความรู้ที่ได้นี่เนะ่ยที่นั่งฟังสอนตัฟซีสอนฮัดนี่นี่เป็นริสกีทั้งหมดเลยนะทําให้สติปัญญาของเราเพิ่มความรู้สมองเราเจริญขึ้นหัวใจเราสะอาดขึ้น นี่ก็เป็นเรียสกีทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่ามองเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวมองเป็นที่ดินมองเป็นอาพาร์ตเมนต์มองเป็นรถมองเป็นสวนลุงเงาะสวนลำยายสวนทุเรียนไปมองแค่นั้นไม่ได้ความรู้อีมานหัวใจสะอาดบริสุทธิ์ให้เกียรติคนดูถูกคนไม่ดูถูกคนยากคนจนสงสารเด็กสงสารเด็กกำพร้า ทั้งหมดนี่เป็นริฤกีที่อัลลอฮฺบรรจุลงไปในหัวใจของผู้ที่นมาศครบวลหาเวลาแล้วก็สแสวงหาริฤกีของอัลลอฮฺอัลลอฮ์เพิ่มให้อย่างง่ายดายนาฮนูนารูซูกะเราต่างหากเป็นผู้ให้เครื่องยังชีพแก่ท่านวัลลาติบะตุลิตตะกูะอัลลอฮ์ตัวนี้นะอยากให้พระชาชนท่องให้จำไปย่านี้นะวัลลาติบะตุลิต ตากรัอาติบาแปลว่าสถานบ้านปลายสถานที่อยู่ในบ้านปลายของชีวิตหรือว่าอุโมงค์ตายอุโมงต์ข้างหน้านี่นะเป็นยังไงรู้ไหมสถานบ้านปลายที่ดีนั้นมีไว้สําหรับบวงผู้สํารวมตนจากความชั่วอัลลอฮฺจัดที่อยู่อาศัยเอาไว้ชีวิต ข้างหน้านู่นนะในโลกอาคริลอนนูนนะคนที่มีาศาสนาคนที่เข้าใจาศาสนาคนที่นำมาครบรหาสเวลาคนที่สแสวงหาริสกีในทางที่ฮารานเข้าบ้านเนี่ยเป็นไงรู้ไหมผลสุดท้ายชีวิตตอนสุดท้ายของเขานั้นจะพบกับของดีๆเต็มไปหมดเลยอลันทำโดยเวลาเราสบาใจไปน้องแค่นั้นอยู่กับาศาสนานี่แหละ คนไม่มีศาสนาก็คนมีศาสนาต่างกันนะบ้านไม่มีศาสนาสังเกตที่ฝาผนังบ้านมีรูปดาราเต็มหมดเลยบ้านไม่มีศาสนาเนี่ยบ้านหลงดุนยาหลงดุนยาเนี่ยดาราหนึ่งกับหนึงดาราอันนี้ก็ดารานกรอมโอโลแล้วก็สักด์เต็มตัวแปะอยู่ที่ฝาผนังรู้ไหมมาริการเข้าบ้านหลังนั้นไหมไม่เข้าเห็นไหมล้วใครเข้าล่ะชายตอนเข้าอ่ะ ถ้าจะให้มลายกาเข้าบ้านทําไงรื้อออกให้หมดวิธีรื้อมีอยู่สองสองสองแบบนะแกะออกถา้ถามันเบาอะถ้ามันหนักกระชากแรงแรงลูดแล้วก็เอาเอาเอาเอาอะไรเสริมเอานามาดเสริมเอากุรอานเสริมเอาล้อเอาการพูดจาดีๆเสริมกับลูกหลานเรในครอบครัวมีบรารักัดในชีวิต สังเกตบ้านที่มีาศาสนาบ้านที่มีมรรอิกาอยู่เต็มเต็มเนี่ยนะลูกจะไม่ทะเลาะกันสังเกตนะสามีภรรยาจะไม่ทะเลาะกันนั่นบ้านที่มีบราริกาบ้านที่มีาศาสนาบ้านที่มีมลรคิกาสามีภรรยาคุยกันคำสองคำเข้าใจแล้บอกลูกเกิดตำรับลูกเข้าใจแล้วง่าย ม, มากเลยแต่บ้านที่ไม่เอ า, าศาสนาสิไปดูสิ อัลลอฮ์ขนาดเตะกันต่อยกันในบ้านเลยแต่ไม่หมดปัญหาตามันละแก้ได้ไหมไม่ได้ยิงแก้ยิงพันยิงแก้ยิงพันยิงแย่ยิงพันมันต้องแก้แบบอะไรนะแก้แบบอิสลามที่ท่านนาบีที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนมาแก้เอัลละการอิสลามมานี่สําเร็จขนาดคนอาหรับนะ่ะแย่ที่สุดในวันนั้นนะ่ะอ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักรอซูลไม่รู้จกัจกคามี ฆ่าคนทำศีนากันเมียนะผู้หญิงคนมีผัวห้าคนโอโ้มันอร่อยนาดูเลยเอารอบเปลี่ยนแปลงคนที่ต่ำที่สุดที่แย่ที่สุ ด, ส, ดสามารถพัฒนาให้เจริญวันนี้เป็นที่ยอมรับของโลกไปแล้วอาหรับโอ้ใบตุ๋นเหรอห้ามดูลินเด์ยอมรับเพราะอะไรเพราะอิสลามฉะนั้นอย่าดูถูกอิสลามนะครับ อาทีนี้ต้องการจะอธิบายนิดหนึ่งนะลูกเราเนี่ยอายุเจ็ดขวบภาษาอุดูว่าอาดัตดลนเกลีให้พยายามอะไรนะปลูกฝังความอะไรนะความเคยชินให้ลูกเนี่ยติดนิสยัยหรือปลูกฝังความเคยชินให้รักนามาดนี่เวลาจะลูกขอสตังก์ทำงี้อย่าควักเลยพ่อขอตังค์พันหนึ่งลิ อย่าเพิ่มควักลูกไปขอต่ อ, ออัลลอฮ์ก่อนไปไปอามน่าสมาดไปขอก่อนขอแบบไหนลนะ่ะไปสูญูดก่อนส่องเรกกากระอัตขอดวงอาต อ, า อ, อัลลอฮ์เดี๋ยวเด๋ยอัลลอฮ์จะส่งรีสกีมาให้พันหนึ่งอย่าให้ง่ายๆพี่น้องจ้าไม่นะอย่าให้ลูกง่ายง่ายนะลูกก็ต้องนึกขอตังค์พ่อขอตังคนะ์อัลลอฮ์น่ะขอยังไงและอีกอย่างหนึ่ง ให้ลูกเนี่ยขอดุทิต่ออัลลอฮ์เยอะๆขอดุอาต่ออัลลอฮ์เยอะๆ อ, ะ อ, อ, อยอๆ่ารอชันจะเป็นอย่างนั้นฉันจะเป็นอย่างนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ฝึกให้ลูกเราเนั่นขอดุอาต่อ AH, อัลลอฮ์สุบฮานาบูฮ์ตาละอัลลอฮ์นี่มีแม่บางคนนะ่ะลูกเรียนหนังสืออยู่ที่ปัตตานีก็มีนาราทีิว่าก็มีเดี๋ยมหาวิทยาลัยนะ่ะก็ทรงลลนะ่น่ะแม่เก่งอ่ะทรงลายลูกนมาสุโบโยังอ่ะ ลูกซิกรุณรูอย่างวันนี้ลูกอ่านกุูอ่านได้กี่ยะยาแล้วก็ส่งไลน์อ่ะเราก็ส่งเฟซบุ๊กไปด้วยก็ส่งทำไมฉันรักเธอ I love you I want to meet you อะไรส่งไลน์ให้ลูกได้มีอิมานส่งไลน์ให้ลูกมีาศาสนาส่งไลน์ให้ลูกนมาส่งไลน์ให้ลูกซิกรุลลู้หดีไหมนั่นแม่ฉลาด แม่ก็ต้องพัฒนาต้องเรียนไม่ใช่ดูตัวละครละครละครละครจะไปสอนลูกยังไงทีมิท่าลูกดูละครหมด้เปา่หน้าตกออาต่อมาครับอายาที่หนึ่งร้อยสามสิบสองสามสิบสามเออตะกอนกอนกอนกอนกอนก่อนที่จะถึงอายานี้มีฮะดิษนบีสอนอย่างนี้นะครับอย่าหลงโลกดุนยานะพวกเรานะ อยู่ดุนยานะี่อยู่ได้อยู่ให้ดีประคองตัวให้ดีนบีสอนอย่างงี้ใครที่เนียตของเขาทำงานเพื่อโลกดุนยาอย่างเดียวไม่นึกถึงโลกอาคีรอความเสียหายก็คืออัลลอฮ์จะทำให้เขาเนี่ยเห็นแต่เรื่องความจนจนจนกลัวความจนหมดเลยกลัวปัญหากลัวปัญหาจะมานี่คนที่หลงดุนยานะ ไม่นึกถึงโลกอาคิเราะความเสียหายที่เอาล่อทำให้ก็คือให้เขาเห็นแต่ความอะไร น, นะความลำบากมีเงินก็ไม่กล้าบริจาคมีความรู้ก็ไม่กล้าสอนคนกลัวไปหมดเนี่ยกลัวกลัวกลัวกลัวกลัวแล้วลก็นบีสอนและผูดด้ใดที่วัมังกนานณติลอาคิอรอตินี่ยะตูหูแต่หากเขาทำความดีบนโลกดุญญนยาใบนี้แต่เนียดของเขาเพื่อโลกอาคิเราะ เนี่ยอยากมันนั่งอ่านคุรานตรงเนี้ยนี่เนียนนะฉันจะเอารางวันตอบอัลลอฮ์ในวันอาคิรอฉันนั่มาสุบโบนี้หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เดี๋ยวฉันกลับไปบ้านให้สลามที่บ้านคุยกับภรรยาดีๆหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดใครที่ทำแล้วเนียดเพื่ออาคิรอยอาลาหีนาฮูฟีกอลบีฮีอัลลอฮ์จะให้ความร่ํารวย ใจกว้างเอาลอในหัวใจของเขาจะไม่มีความกลัวจนเลยไม่มีครับนี่เข็ดเค็ดลับมีแต่เรียกน้อยๆเท่านั้นเองแล้วเป็นไงครับว่าอาตัดหุดดุนยาวะฮิยารอคือมัดุนยาเนี่ยจะคลานมาหาเขาทั้งที่เขาไม่อยากจะได้เอาวอ้าเอาไปเ้าอาวอ้าประเคนให้หน้าบ้านท่านยิบหน่อยยิบหน่อยใจเนี่ไม่อยากได้หรอกแต่ว่าเอาลองให้ก็ได้ หัวใจเราไม่ได้หวังดุนยาแต่อยู่บนดุนยาไม่ได้หลงดุนยาแต่หลงอะไรหลงอาคีรอเยอะๆเนี่ยอัลลอฮจะตอบแทนนหนะครับเอาต่อมาอย า, า, ายะที่หนึ่งร้อยสามสิบสามว่ากอลูเลูลายตีนาบิอายะติมมิรอบบิ อาวัลม์ตัติหิมไบยินะตุมาฟิ ي ุฮุฟิ ي ِ ي ลาและَ่าลูเลวลาจะตินะไบอาَยติมิรับบิอาวัลม์ตัติหิมไบยินะตุมาฟُสุฮุฟิลอุลา อัลฮัมดุลิลละรู้ไหมผู้ปฏิเสธนะว่าอย่างไงคนที่ไม่เอาศาสนาคนที่หันหลังให้กับอุรณ์หันหลังให้กับสุนัขนบีหันหลังให้กับอัลลอ์พูดอย่างนี้ว่าก็ลูพวกเขาพูดว่ามาถึงพวกปฏิเสธพูดว่างี้ลาลายตีนบีอาญาติมิรรบบีทำไม หรือว่าฉะไหนเขาจึงไม่นําสัญญาหนึ่งคำว่าสัญญาในหมายถึงมอจจิสาตหรือว่าสัญญาหนึ่งสัญญาใดอะไรก็ได้นะนำมาให้พวกเขาจากพระผู้อภิบาลของเขาคือเป็นอย่างนี้ต้องการจะอธิบายว่าคำภีรกูรานเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นมัอจิสาตที่ยิ่งใหญ่ภาษาอุรุกว่าเป็นเป็น เป็นนิชานเป็นเครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่คืออัลกุรอานสองนบีมุฮัมมัดนี่เป็นเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่เป็นมุอาจิสาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้พออัลกุรอานถูกประทานลงมาคนที่แอนตี้กุรอานนี่จะพูดว่ามุฮัมมัดทําไมไม่เอาสัญญาณของอัลลอฮ์มาให้เราดูก่อนไม่ได้เลย ว่าท่านเนี่ยเป็นนบีจริงว่ากุรานี่มาจากอัลลอ์จริงทรงหลักฐานทรงสัญญาณสรงมจรัจญิษาตมาให้ฉันไม่ได้หรือคำตอบเป็นไงอาวลัมตะติหิมใบยีนาตุมาฟิสูฮุฟิลอูละอัลลอ์ถามนะบอกกับนบีใหนบีไปสอ น, ว, น, อ น, น, น ว, ว่าหลักฐานอันชัดแจง้งใบยนาเนี่ยเปหลักฐานอันชัดแจ้ง ตัดิหิมมาหามาหาพวกเขาอาวารัมแปลว่ายังไม่ได้มาหาพวกเขาอีกหรือมาฟิสูฮอฟิลูลลที่ปรากฏอยู่ในคำพีเล่มก่อนก่อนก่อนที่นบีมุฮัมหมัดจะมาเนี่ยมีคำพีเล่มก่อนก่อนที่มาแล้วกี่เล่มรู้ไหมเตารอซาบูอินยินแล้วก็พัทยพีโด มาหมดเลยมีคำพีมาเยอะมากที่มาจากอัลลอ์ก็มีไม่มาจากอัลลอ์ก็มีคำพีมาทั้งหมดแล้วในคำพีเหล่านั้นผมฟังจากด็อร์เนกพูดแล้วก็อาหมัดดีดาร์พูดบอกว่ า, วามีประวัติของนบีมุฮัมมัดบรรยายในคำพีทั้งหมดเหล่านั้นหมดแล้วในพัตไตปิโด ก, ก็มีจะมีมุฮัมมัดเนี่ยมาเป็นนบีคนสุดท้ายของโลก จะนำเอาอาัลกุรอานมีลักษณะสิฟัต์ท่าทางบอกไว้หมดเลยในสามสี่เล่มในคัมภีร์ของปะฏตยปิดวก็มีคัมภีร์อรอ์มีอินจีนมีซ บ, บูตมีมีหมดเลยลักษณะของนบีที่จะมาสอนคนมายุคสุดท้ายนี่ฉะนั้นคนที่คนอาหรับมุนาฟิกรหรือคนอาหรับมุชลิกใน น, นครมาก็ถามนาบีว่าทำไมไม่ท่งหลักฐานมาหน่อยไม่ได้หรือว่ากุรอานมาจากอัลลอฮ์ มุฮัมมัดน่มาจากอัลลอ์ฉันไม่เชื่อเนี่ยวันนี้เนี่ยเราบอกว่าอา้าวแล้วเราไปถามพวกคริสไปถามพวกยิวดูสิหรือไปถามพวกที่ทำถือศาสนาพุทธวันนี้นะเคยเปิดอ่านพิตัยบิดดกไหมล่ะเคยเปิดอ่านคำพีตรตะออออินยินซาบูตไหมในนั้นมีเรื่องของนบีมุฮัมมัดว่าจะมานาบีคนสุดท้ายเราจะมาอัลกุรอนจะนำออัลกุรอานมาแล้วก็มาสอนคนในยุคนี้ อโลอชีในคัมภีร์คุณอ่านลองหันไปดูนในคัมภีร์เก่าๆที่มาก่อนหน้าพวกเราพี่น้องครพี่น้องถ้าฟังภาษาอังกฤษออกนะฟังด็อเตอร์เนกพูดเนี่ยคนลุกเลยและอีกคนหนึ่งอามาดีดาสใ น, นคนซาท์แอฟริกาเนี่ยตายไปแล้วนะพูดเรื่องนี้แหละคนรับอิสลามกันเยอะมากเลยวันนี้ รับกันเยอะมากเลยนะยังฮินดูฮินดูนะรับอิสลามกันเต็มไปหมดเลยเพรอได้พะเอาคัมภีร์ไบเบิลมาเตาล่อมาอินดี้นมาเอากูรานมาเอาปะไตรปโดกมามาอธิบายเรื่องนะบีมูมัตทุกคนงงหมดเลยโอ้ล่นี่มีพูดในคัมภีร์ไบเบิลด้วยเรอมีคำมีพูดอยู่ในปะไตรเปโดด้วยเรื่อกไหมสิเอาขึ้นมาแช่ทีละอายะอายะอายะอะคนอิมานต่ออัลลอฮ์เต็มไปหมดเลยคำด้วยละพวกเราบายบ่ายอิสลาม ฉันไม่เอาแล้วกับมุสลิมโอ้โหแต่ที่อื่นเข้าอิสลามก็พวกเราไม่จะสอนสาศาสนากันใช่ไหมตัคง ต, งตงคัวครูก็ทะเลาะกันอ้อาวก่อมาครับตกวลงว่าในคมภีร์ที่มาก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดนั่นจะเป็นคัมภีร์อะไรก็ตามมีพูดเรื่องาศาสนาอิสลามมีพูดเรื่องนบีมุฮัมมัดมีพูดเรื่อง คำภี์กุรานที่จะมาเป็นเล่มสุดท้ายนี่นะครับอยู่ในคัมภีรต่างๆแปลว่ยังไม่พออีกหรือแค่นั้นยังไม่พออีกหรือนี่อัลลอฮ์ถามนะกะพีกุรานอ้าวต่อมาครับอายาที่หนึ่งรอเทไลหนึ่งร้อยสามสิบสี่วะลูอันนาอเฮลักนาฮุมบิอาาบิมิงกับลิลลากอลูรับบานา لو ل ล أرسلت إلينا رسولا فنتابع آياتك من قبل أن ذل ونخز ولو أن أهلكناهم بعذاب من ق ل بع ب ل ه ล้วกล่รบนะลวแล์รัลตั่ยยนะรัสูละฟันัตตบียะะะยัติคะมิงคับันาดิละวนัข้ะลัฮัมด์ลัลนี่ัลลัฮัมด์ลัลนี่ัลลัฮัมด์ลัล ถ้าหากเรามาถึงอัลลอเนี่ยนะอลัลกคนาหุมได้ทำลายพวกเขาถ้าหากเราเนี่ยได้ทำลายพวกเขาที่ทำลายนะเพราะอะไรรู้ป่าอย่างสึนามิที่มาครั้งที่แล้วนี่นะรู้ไหมเพราะอะไรตอบได้ไหมนึกได้ไหมเพราะอะไรหนึ่งมันนอนแก้ผ้กกันริมหาดสองทำซีนากันริมหาด ดื่มของมือนเมาริมหาดทางมุสลิมไม่ใช่มุสลิมทําตัวเหมือนแอนิเมลเหมือนไทรวนันเหมือนเหมือนสัตว์เลยทําตัวเหมือนสัตว์นานๆเข้านานๆเข้าอลัลลอฮ์ก็อก็ทำง่ายนี่บ่าฉันนี่นะตอครูก็ไม่เอาไหนอลัลลอฮ์อักบาตไม่ได้สอนคนเลย เสียงอาจารย์เคยดังอยู่ที่หาดป่ตุงป่ตองเบาลงเกงใจคนนอนนามาสุโบนี่อาารย์ไม่เคยมีหรอนะมีก็มีตอกตองเสียงค่อยๆมัน disturb คนนอนตอเขียน disturb เลยนะเพราะมาฝรั่ง ม, ม, มันเยอะ disturb Don't disturb อย่าไปรบกวนคนนอนเกงใจฝรั่งลอบหมันไส้ออซนามิมาทีมาดูแล้วตายเป็นล้าน สำนึกไม่ไรพี่น้องหลายคนหันเนื้อกลับตัวมาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาล้ทีนี้อัลลอฮฺไม่ต้องการจะจัดจั ด, จ, ดจัดทำลายคนเอาดูนะว่าเราอันนาอหลลักหนาฮุมบิยอาดาบิมมิงกอบลีและถ้าเราอัลลอฮฺได้ทำลายพวกเขาด้วยการลงโทษก่อนหน้าที่จะมีกุรอานลงมาหรือก่อนหน้าที่จะมีมุฮัมมัดมาเนี่ยนะ แล้วก็ลูพวกเขาก็จะพูดว่าไงนะรบบานาโอพระพูดอภิบาลของเราเอ๋ยเรา ล, า อ, ลาอัลซัลต์อลัลนารอซูละชาไหนพระองค์จึงไม่ส่งรอซูลคนหนึ่งมาให้แก่เราละก็จะพูดอย่างนี้แหลพระพอเราลงโทษปั๊บ ทำไมไม่ส่งรอซูลมาสอนฉันล่ะว่าถาศาสนาอิสลามเนี่ยมันดีน่อใช่ไหมล่ะก็ส่งรอซูลมาสอนฉันหน่อยสินี่อัลลอฮ์สอนนะอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาก่อนทุกยุคทุกสมัยเอ้าอย่างเนี้ยฟาโร่เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่โหดที่สุดเป็นกษัตริย์ที่โหดเหี้ยมที่สุดรู้ไหมฆ่าสังฆ่าเด็กเด็กผู้ชายมาสังฆ่าหมดเลยอะ เด็กผู้ชายที่มาจากกลุ่มบันิอิสร์อิลสั่งฆ่าหมดเลยให้ทหารไปเบียดจมูกตายห้หมดนะสั่งนางพัดุงคันสั่งหม้อตำแย่เวลาไปทำขอดนี่นะทำให้เด็กตายตายตายตายตายตายตายตายนั่นน่ะมันทำบาปขนาดไหนอ่ะก่อนที่อัลลอฮ์จะลงโทษอัลลอฮ์ส่งใครมาถูกไหมมูซาอะลัยฮิสสลาม แล้วก็มันาบีมูซานแบบไหนเอานาบีมูซาใส่หีบลอยน้ําแล้วก็หีบมันก็ลอยมาถึงหน้าบ้านฟาโร่ปราสาทฟาโร่เขาก็เอาขึ้นกันไปไปเจอมูซาอยู่ในหีบรักเลยแล้วก็มูซาโตอยู่ในพระราชาวังฟาโร่มูซาอีกคนหนึ่งเขาเรียกมูซ่าไรนะซาเิรี่อันนี้ก็กลัวในการมะแม่กลัวก็เอามูาาซาฝาซาเมรี่ไปไหว้บนบนภูเขาอะ่ะ ยิบรีนลงมาเลี้ยงเอานมใส่ปากทุวันทุวันทุวันทุวันแต่คนที่ยิบรีเลี้ยงนี่เป็นกาเฟตแต่มูซาที่ฟาโร่เลี้ยงเป็นนบีของอัลลอฮ์เห็นยัง <c oughs> เห็นยังได้ข้อคิดเยอะมากเลยเป็นต้องคิดเองกัาโลกกายวิได้อะไรบ้างทีนี้นบีโมซาเนี่ยขออุอาต่ออัอลลอฮ์พอเป็นนบีแล้วใช่ไหมล่ะเห็นซาบิรีเนี่ยมันขวางอ่ะมัน ทำทุกอย่างเลยขวางในบีมูซาญาติกันเป็นพี่น้องกันหมู่บ้านเดียวกันนบีมูซาขอตัวยะอลัลลอฮ์ทำลายมูซาซามิรีนะเถอะมันขวางตับเลิกฉันหน้าดูเลยฉันมาสอนศาสนามันขวางขวางขวางหมดอลัลลอฮ์ให้ยิบรีม ล, ลงมาบอกรู้เป่าซามิรีนะ่ะมันดูแลคนด้วยนะ่ะมันดูแลคนยากคนจนด้วยมันเอาคนด้วย แค่นั้นอย่าเพิ่งไปลงโทษมนันความดีมันยังอยู่เหมือนกันอเมริกายึดอิรักฆ่าพี่น้องปาเลสไตน์เท่าไหร่แล้วก็พี่น้องเรายอยู่ในอับดุลิสถานเยอะตายไปหมดแต่อเมริกาความดีก็คือมันก็ยังดูแลคนจนอยู่วันนี้เอาเร า, าปล่อยไปก่อนให้หายใจไปก่อนอีกสระยะหนึ่งถ้ามันไม่ดูแลคนจนเมื่อไหร่เองระวังข่าเล่นงานเองทันที พี่น้องผู้ปกครองระดับไหนก็ตามถ้าโหดเหี้ยมกับประชาชนอเลาะจัดการทันทีแต่ถ้ายังเมตตากับคนอยู่ทำลายกลุ่มนี้รักษาคนกลุ่มนี้เอาไว้ก้ยไม่มีปัญหาอย่าเป็นบาปอันอดทั้งหมดนั่นแหละอเลาะอเอ า, เ อ, า, เ อ, า, เ อ, าอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนพี่น้องคุณอ่านสอนดีนะถ้าหากฉันไม่ส่งรอซู้มาพวกท่านก็จะพูดว่า ทำไมไม่ส่งรสูลมาก่อนที่จะทำลายฉันแต่อ AH นะัลลอฮ์น่ะส่งนบีมูซามาสอนฟาโรก่อนที่อัลลอ์จะลงโทษให้ฟาโรตายในน้ำทะเลแดงเราส่งมาก่อนนี่อัลลอฮ์เมตานะรอห์มาตันลิลลาอัมเอาอย่างกับ น, นบีอิบราฮีมก็เหมือนกันใช่ไหมนบีนวัวก็เหมือนกันก่อนจะให้น้ำท่วมเนี่ยส่งใครมา ก, ก่อนนะส่งนบีนวม า, ว ม, ามาสอนกี่ปี เก้ารอยห้าสิบปีอัลลอฮฺอายุยาวเหลือเกินนะคนสมัยนี้ไม่อยากอยู่ยาวเครียดหกสิบยี่ยล้อให้ตายนี่ถ้าอยากจะขอวางให้ตายว่าอย่างนี้อัลลอฮุหม่าอัจญีอิอิดากานะติลฮัยยตุคอยรันลีโออัลลอฮฺให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่หากการมี ชีวิตอยู่นั่นดีสําหรับฉันวาตาวฟานีอิลากานาติลวาฟ้าตุคคอยร อ, ลอนลีอัลลอฮฺจะให้ฉันตายเถอะถ้าความตายนั้นนะ่ะดีกว่าฉันถ้าอยู่แล้วมาทําบาปอ่ะตายดีกว่าขอดวงอานะามาใช่ไปกินยาตายบีบจมูกตายก็โดดตึกตายไม่ใช่นะให้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺนะเอ้าต่อมาครับ ฟานตาบิอาติกแล้วเราก็จะปฏิบัติตามานะครับเราจะปฏิบัติตามองค์การของท่านนะครับมิงกอบลีกรที่อันานิลวาวนาซากรที่เราจะถูกทำให้อัภยศและถูกทำให้อับอายแสดงว่าในวันตียมานาคนที่ไม่เอาศาสนานั้นเจอสองเด้ง เดงที่หนึ่งก็ก็นานฬะิ ล, ล่ะอะไรนะอัประโยชน์อันที่สองนักญาอดสอูอับอัอายต่อหน้าประชาชนต่อหน้าทานกำนันไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ประชาชนในในวันอาที่ทุขงมาสัตยนะ์เต็มไปหมดเลยนะอัลลอฮฺพวกนี้ถูกถูกลงโทษล้อายคนไม่ล่ะอายไม่อายอัลลอฮฺอาคบัตฉะนั้นคนที่มีเกียรติในโลกอาคีรอ เอาเอาเอาคนอาจารย์กันแล้วกัน الله, รอว่าบารอนรอัลกุรอานวันนี้คนอาจารย์ไม่ค่อยมีเกียรติในสายตาพวกเราใช่หรือไม่ใช่โะสีย่ออีอย่างหนึ่งไม่ค่อยมีเกียรติในสายตาพวกเราใช่ไหมไอโตสียอ้อมันอะไรกันนันกหนาความสเราพี่มาพูดดีแล้วแต่รู้ไหมตําแหน่งของเขาในอันซีรอยิ่งใหญ่มหาศาลเลย คนอาจารย์อ๋อหล่อคอของเขาเนีโรหงสวยเดินเนี่ยอ๋หลอเนี่ยพวกไหนเนี่ยอ๋อพวกมูอัดบินอัลฮัมดุลิลละนั้นอย่าดูถูกงานศาสนาของอัลลอฮ์นะย่าดูถูกนะอย่าดูถูกนะและอีกอย่างหนึ่งคนที่กวาดสุเราเนี่ยในสมัยนบีนะหายหน้าไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งในพิธานี่ยคนทําควา ม, ม ส, สะอาดมัสยิดไปไหน บอวก็ตายแล้วทําไมไม่บอกฉันก็เกรงใจนบีนบีอา้าพาฉันไปที่กูโบครับนบีไปก็ไปนามาศนามาศยานาจาให้พอนามาจบมันไป บ, บอกเนี่ยขณะนี้รัศมีในกูโบเต็มไปหมดเลยเพอความดีที่เขาทำไว้ก่อนตาย ก, ก็กราดมัสยิดดูแลมัสยิดแล้วสังเกตนะโต๊ย์เยาะนี่นะนามาศสุราคัดได้ไหมขาดดีไม่ดี ได้อดาจารย์ด้วยดีไม่ดีได้เป็นอิหมานด้วยใช่ไหมแต่กวาดมัสยิดด้วยจะนั่นพี่น้องนักเรียนนักหลายเวลาเข้ามัสยิดเจอขยะทําไงเตะเลยว่าเอาเอ า, เอาตีนเขีย่ยเขีย่ยเอามือซ้ายหยิบใส่นะั้นใส่กระเป๋าเลยนี่เก็บขยะในมัสยิดเสร็จแล้วพอออกไปก็เอาขยะไปทิ้งนอกมัสยิดผลบุญเยอะมากนะ สิ่งสกปกในมัสยิดเนี่ยมีเห็นแล้วช่วยขจัดออกเลยนะครับเอาต่อมาอายาุดท้ายกุลกุลุมมุตาบิสุฟะตารบัสุฟะสต์ตัลโมนัมันอัฟฮับอัซซิรอตุสซาวีว่มานิทัดะ กุลกุลุลุมมตรบิสุฟตรบบัสุฟาซาตัลโมันอาศบุศรัติสุวีวมะนิฮเตดาโอ้ทนอัจฉริยะนี่ดีมากๆเลยนะโมฮัมหมัดเอ๋ยกุลโมฮัมหมัดเอ๋ยจงประกาศจงพูดจงอธิบายจงตักลีบจงด่าวะ กุลลุนทุกคนที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะกุลลุนแปลว่าทุกคนเลยมุตารบบิซุนเป็นผู้รอคอยทุกคนเป็นคนรอเราเองก็รอคนกาเฟตก็รอมุสลิมก็รอยะฮูดิก็รอใช่ไหมอเมริกาก็รอรอกันหมดทุกคนรอนะรอมาฟาตารบบซัซูดังนั้น จงรอคอยไปเถอะเอาลาบอกให้รอคอยไปเถอะวันนี้ศาสนาอิสลามถูกดูถูกจากคนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกใช่ไหมพี่น้องมุสลิมถูกตาหน้าว่าเป็นผู้ก่อการเป็นไงก่อการไม่ดีก่อการร้ายภาษานี่มันมาตั้งน้นเลยโทรลิสมองไปที่มุสลิมหมดเลย เ้าในเมื่อมุสลิมถูกดา่าถูกตําหนิศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สร้างความเดือดร้อนคนก็เกลียดศาสนาอิสลามแต่ขณะเดียวกันรับอิสลามกันทุกวันเมื่อคืนเนี่ยก็รับนี่รันิกานิกาแล้วเมื่อคืนรับมาสองอาทิตย์เมื่อคืนมานิกาคนอ่านคูณบ้าเมอแวผมเป็นคนนิกาเมื่อคืนเนี่ยสามทุ่มกว่าแล้วสองทุ่มสามท่มแล้วรับอิสลามที่น้อง มาทําไมอ่ะรับกันทุกอาทิตย์ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันอ้ลวเราบอกว่ากุลกุลลุมมุตารอบเบซุนทุก um <un> คนนะต่างคนต่างรอฟาตารอบบาซูจากนั้นจงรอไปเถอะฟาซาตาเลมูนแล้วท่านจะรู awi, ้ว่ามันอัชฮาบุศร์รอตอสติสาวีผู้ใด เป็นคนที่อยู่ในทางที่เที่ยงตรงและใครเป็นผู้ที่อยู่ในทางนำที่ถูกต้องเอาเราพูดสองครั้งนะทางที่เที่ยงตรงกับทางที่ถูกต้องใครจะอยู่ในคุณทางที่ถูกต้องมากกว่ากันรอไปค่อยๆดูไปดูไปอนาคตของโลกใบนี้เป็นยังไงกุณอ่านอายานนี้อธิบายอุลามะอธิบายอย่างนี้พี่น้องมุสลิมวันนี้นะ รอนะมีอยู่สองอย่างนะตายกับอะไรนะชนะสงครามตายกับชนะสงครามเป็นความดีทั้งสองเรียกว่าเอฮดัลฮุสไนยีนี่มุสลิมถ้าเราอย่างประเทศอะไรเนี่ยในอาหรับเนี่ยประเทศซีเรียในอิรกักมุสลิมถูกฆ่าตายทุกวันใช่ไหมปากิสตานก็ถูกฆ่าตายใช่มมีอยู่ครอบครัวนหนึ่งใช่ไม ลูกกี่คนหกคนพ่อเพิ่งออกจากคุกแม่ตายมาอยู่กับเราวันนี้เขาคหนี้มาทําไมผมสัมภาษณ์แล้วเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งมาจากอะไรมาจากมาจากมาจากปากีสถานเป็นนักธุรกิจน่ะแล้วถูกการแก้ถูกกางแก่จนกระทั่งอพยพมาถึงบระเจ็บใจนี่ภรรยาตายมีลูกหกคนน่ะเรารับผิดชอบอยู่วันนี้อัไรทำอยู่แล้ถามว่าคนที่ตายเนี่ยรู้ไม่ได้อะไร ตายพยับตาย ش หีดเลยได้ไปสวรรค์ของอัลลอ์ถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นชนะก็ได้ยึดทรัพย์สินเต็มๆไปหมดเลยฉะนั้นมุสลิมเนี่ยรออยู่สองอย่างเป็นความดีทั้งคู่หนึ่งรอตายตาย ش ه ีดกับรออะไรนะรอว่าชนะสงครามก็ยึดโลกใบนี้เป็นของอิสลามแต่โอกาสยึดคงจะ ย, ยากอุชะละโอกาสมี ม, มีสูงมีสูงมีสูงส่วนใหญ่จะตาย เรตายเป็นไงรู้มาอย่าลืมนะคนมุญาฮีดีนถูกระเบิดตายรู้ไหมเป็นไงมดกัดเจ็บกว่าระบบปึ้งลกุกเนี่ยเลือด ก, กระเด็นแล้วก็เนื้อกระเด็นทั้งนูน่นทังนี้วะกูอ้าวโลเราเห็นเราสงสารรู้ไหมเคยมดเคยเคยกัดพวกเราไม่เคยไหมหมดกัดเจ็บกว่าไม่เจ็บ นี่นตายะฉยๆมันอร่อยอย่างนี้แหละแต่ยาอัลลอ์ให้ฉันเกิดมาอีกครั้งได้ไหมมาระเบิดตายแบบนี้อีกสักร้อยครั้งอีกยี่สิบครั้งอีกสิบครั้งเห็นไมนี่อัลลอ์พูดนะฟตารับบาซูนะครับฮัลตรอบบะซูบินาอิลลัลอิลลัอิดดัลฮุสนายอีนีเขาเนี่ยรอคอยความดีสองรายการที่ดีเยี่ยม หนึช้ชนะในสงครามหรือไม่ก็ตายในการตายเฉี่ยแตสงครามของอัลลอฮฺสุภาในบุหตาลาท่านบุสลินอามาดูคนกาเฟตในอุลมะท่านหนึ่งอธิบายอย่างนี้คอยดูไปวันโลกดุนยาใบนี้เนี่ยประชากรที่ศรัทธากับอัลลอกับประชากรที่ไม่ศรัทธากับอัลลอจะเป็นคนกาเฟตหรือมุเมินคอยดูต่อไปเรื่อยๆว่าใครจะมากกว่ากัน แต่คุรานตรงนี้พูดชัดเนี่ยมันอัลฮาบุสิรอติสวีใครจะเป็นชาวที่อยู่ในทางนําที่เที่ยงตรงวะมานิตาดาและใครเป็นผู้ที่อยู่ในทางนําที่ถูกต้องก็พูดไว้แล้วสองคำเนี่ยนี่แสดงให้เห็นว่าโลกใบนี้เป็นของอิสลามเป็นของมุสลิมคุรานอ า, นายานี้ครับ คนที่กลัวมากที่สุดนะใครรู้ไหมอยา่ยาพูดอย่าพูดอ่านคู่อ่านเข้าใจอ๋อมันก็กลัวนี่อ๋อโรนี่อนาคตโลกใบนี้เป็นของมุสลิมเหรอก็มันเห็นทุกวันเข้าอิสลามก็ทุกอาทิตย์ในเมืองไทยเนี่ยด้าในอเมริกาเท่าไหร่ในญี่ปุ่นเท่าไหร่ในจีนเท่าไหร่รับอิสลามมาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนคนที่เครียดนะใครใครเครียด อัลลอฮอักบัดกินองฉะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเด้รักษ า, า, าศาสนาทำตัวให้ดีถึงพูดไม่เป็นแต่แสดงเก่งสลาวมาได้กลุ่มรู้เปล่าวิธีไล่ชายตอนออกจากตัวของเราหนึ่งยิ้มลรายิ้มสิยิ้ม ย, ยิ้มเนี่ยอะไรหนีหรือเปล่าชายตอนหนีเดยกกลับไปบ้านเจอพระยาทำไง สไมลิ่เฟซอัลอิบติซามาอัลลอฮีอัลลอฮ์ใช้ตอนนี้เลยสองมีสตางค์ควักบริจาคใช้ตอนกูแพ้มืองแหลมอัลลอฮฺอักบัดข้อที่สนะสามีภรรยาลูกๆรักกันในบ้านใช้ตอนมันกลัวมากเลยกูไม่อยู่แล้บ้านหลังนี้ยุให้มันดูละครมันก็ไม่ดู เ อ, เอาเอาเอาเอาแค่สามข้อก่อนนะหนึ่งอะไรนะยิ้มสองอะไรนะบริจาคนี่นตวกรอนจะออกเนี่ยห้าบาทยอดจะได้ไหมพอยิบออกพอใสชายตมาอมบอกืกูเสียหน้าอีกแล้วบริจาคให้สุราดูดูมันทำดูมันทำสิใช่ไหมกาจะไปให้ไปซื้อ อย่าบงยาบา้าซวหน่อยอมัน ไ, ไปบริจาคให้สุราอีกแค่นั้น1ยิ้ม2 อ, อะไรบริจาค3อยู่ในห้องเดียวกันรักใครกันอัลลออัซุบฮานัลลอฮมบิฮัมดิกัสลาิลลาฮิอิลอนตะอัลตักฟุลกวาตูสลมอะลัยุมะะตุลลอฮบะากตุ